พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าปลูกนอกปลูกในวันนี้เป็นวันที่เจ็ มิถุนายนพุทธศักราช 2,559 โยมผู้เฒ่ า, เาประธานในหมู่บ้านคือตู่ขาและกับผู้สงค์ณาวุธทั้งหลายในหมู่บ้านาได้ไปกราบหลวงพ่อให้หลวงพ่อหาวันเพื่อจะทำบุญเบิกบ้านทำบุญในหมู่บ้านของพวกเรานะ อันนหลวงพ่อพูดเป็นภาษากลางให้ลูกหลานได้ฟังสักหน่อยเพราะลูกหลานฟังวิทยุโทรทัศน์แล้วก็คงจะเข้าใจเพราะว่าผู้ที่มาฟังอยู่นี่ก็มีคนต่างถิ่นหลายคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับภาษาทางบ้านเราเพราะนั้นหลวงพ่อจะขอพูดเป็นภาษากลางให้พวกเรายินทั่วถึงกันวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในหมู่บ้านของพวกเราเป็นวันทําบุญ เบิกบ้านหรือไปทำบุญให้ชุมชนของพวกเราเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลต่อที่ไปก็คงพวกพี่น้องศรทัทธาญาติโยมในหมู่บ้านในชุมชนของพวกเราก็จะได้ลงทำการทางานเกษตรกรรมมีปลูกผลละหมากลากไม้แล้วก็ทำไร่ทำนาเพราะเราพวกเราเป็นชาวกเกษตรกรรมในท้องถิ่นของพวกเราก่อนที่จะ ประกอบพิธีทาเกษตรกรรมทั้งหลายพวกเราก็ได้มาพร้อมกันสร้างบุญสร้างกุศลในระดับหนึ่งก่อนเพราะเหตุว่าพวกเรามาอยู่ในท้องถินงนงถ่นแห่งนี้ไม่ใช่ว่าท้องถิ่นแห่งนี้จะเกิดมาขึ้นวันนี้วันเดียวเกิดมาตั้งหลายปีหลายเดือนก่อนที่จะเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุอันใดก็ต้องมีผู้นำชุมชนในยุคสมัยนั้น เข้ามาตั้งหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยี่ยงในตู้ขาตู้สุบันของพวกเราเนี่ยนะที่ในมณลหลวงพ่อที่เป็นโ ย, ยมอุปธรรมประทากอายุจะป่าเข้าไป8ปสิปีแล้วอันนี้ก็ยังเป็นรุ่นน้องแต่เป็นรุ่นพี่ก็ยังมีอีกออพามาสร้างวัดมาสร้างบ้านนาคำน้อยแห่งนี้ที่โยกย้ายมาจากนายูงบ้างบ้านนายูงบ้างบ้านนาคำใหญ่บ้างที่เป็นหมู่บ้านร่งเดิมของ คนชุมชนในกลุ่มนี้จากนั้นเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่เนินสูงน้ำไม่ท่วมแล้วก็เป็นที่ทำไร่ทำนาพอที่จะขยายออกมาจากท้องถิ่นหมู่บ้านเหล่านั้นได้ก็ได้โยกย้ายกันมามาอยู่ที่แรกก็บ้านลังสองหลังแต่หลวงพ่อมาอยู่มาปี2องพันหาอยสหแต่หลวงพ่อเขามาอยู่เข้ามาที่นี่ในยุคสมัยนั้นก็ บ้านเมืองยังคอนแคนยังมีอะไรความคิดเห็นความคิดเห็นแตกแตกต่างกันคือระบบคอมมิวนิสต์พูดง่ายๆนะแถวนี้ก็เป็นสีใครเขา้าสีชมพูดแดงเถือกพอสมควรในสมัยนั้นที่หลวงพ่อพูดพวกพ่อตู่พ่อตาทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่ก็คงจะพอเข้าใจคงจะไม่พูดเกินไปเพราะว่าปืนใหญ่ก็ตั้งอยู่บ้านน้ำทรง ยิงถลม่มยิงถล่มมาแถบนี้แสดงว่าแถบนี้ก็เป็นทิ่น่ที่ใช้ขนาดใช้ปืนใหญ่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่าแต่มาถึงบัดนี้พวกผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่พามาสร้างบ้านสร้างเรือนก็เป็นแหล่งจักเป็นหมู่บ้านที่เป็นผึกแผ่นแล้วก็ที่วาการอำเภอและสถานี ตำรวจก็มาสร้างอยู่ที่บ้านนาคําน้อยของเราแห่งนี้แต่บ้านนายยุงก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมเก่าแก่แต่ก็มันอยู่ห่างไม่อยู่ในระหว่างกลางเพราะฉะนั้นในส่วนราชการที่มาริเริ่มตั้งอําเภอนายยุงเลยเห็นว่าที่นี่เหมาะสมกว่ากเกรงมาลงตรงลงตรงนีนะ้นนี้ก็ถือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่มาลงหลักปัก เขตทีแรกบุกหลักปักเสาทีแรกนะคงจะมองไกลก็น่าเชิดชูน่าเชิญชื่ช น, ชชนชมคนที่มาปักหลักที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อเองท้าวความให้กับคณะสัตยาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังแล้วผู้เท่าผู้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็มีก็ยังน้อยแต่พูดจากไปนะั้นมากกว่า เพราะบ้านของเราสร้างมาเป็นระยะเวลาถึงกลามถี่4 1ม่ 10, ปีเข้ามาแล้วเพราะนั้นก็จึงมีการล้มหายตายจากทางผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่พวกเราก็ได้ได้ศึกษาและธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเฒ่าแก่สลอยสักก่อนยึงตายก็ไม่ใช่เกิดมาตายน้อยตายหนุ่มก็มีตายเด็กก็มี เ, เหมือนกับผลละมากลากไม้ ไม่ใช่ว่ามันจะสุสกซะก่อนมันค่อยล่งลวงหล่นก็ไม่ใช่เม็ดเล็กๆมันก็หล่นก็มีมากต่อมากถ้าเราได้สังเกตแต่ที่ยังไงผลไม้ทุกต้นลูกทุกลูกมันกระต้องล่วงหล่นทุ ก, ท, กทุกหน่วยไม่มีต้นไม้ต้นอะข้ามปีข้ามปีไปได้เพราะนั้นพวกเรามาถึงจุดนี้หลวงพ่อเท้าความให้กับคณจัทาญาติโยมลูกหลานแต่ทูเท่าพูกแกเหล่านั้น ที่ท่านล่วงลับดับคันไปไปอยู่ที่ไหนพวกเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นปีหนึ่งพวกเราก็ลําลึกถึงพ่อคุณของท่านเป็นการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาพวกเรามองไปเห็นทางอื่นเพราะพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาเชื่อถือในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดไม่ใช่ว่าตายแล้วศูนย์ถ้าว่าตายแล้วศูนย์เราไม่ต้องทําคุณงามความดีอย่างอื่นทําอะไรไปทําไปเถอะตามมัธยายัย ก่าทั้งคัญจะให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นแหละเขาจะจับเข้าคุกนะถ้าหากว่าพวกเราเชื่อว่าตายแล้วเกิดเราต้องประกอบคุณงามความดีเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจึงได้พร้อมใจกันรวมกันมาประกอบคุณงามความดีขึ้นสมมุติกันขึ้นหรือเรียกร้องบอกกล่าวกันขึ้นมาให้รวมกันประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลในเมื่อพวกเรามาพร้อมกัน แล้วพวกเราก็ทำพิธีทางพุทธศาสนาจากนั้นพวกเราก็ได้กล่าวลสมาทานศีลไหว้พระสมาทานศีลจากนั้นก็ได้ถวายทานจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลอย่างที่ทา ย, ยกได้กล่าวกล่ำคำกล่าวถวายทานบอกว่าอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาตยาวเยียดเลยวันนี้ ที่เรียงลําดับมาจนถึงภูมิเจ้าที่ภูมิมะรุกขเทวดาที่รักษาภูมิเจ้าที่พ่อหลักของพุทธาศาสนาท่านถือว่ามีภูมิมะรุกะมีเทวดาท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าเทวดาไม่มีนะอินพรหมไม่มีตายแล้วศูนย์ไม่มีในพุทธาศาสนาว่าตายแล้วเกิดแต่ว่าการจะเกิดเป็นอะไรนั้นคือกรรมกรรมเป็นผู้จําแนกพาให้พวกเราไปเกิดในพภพภูมิต่างๆสถานที่ต่างๆ ถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะพาพวกเราไปสู่สุขติถ้าเราทำกรรมชั่วทำทำสิ่งที่มันไม่ดีกรรมไม่ดีก็จะพาไปทางต่ำเหมือนกับพวกเราอยู่ที่นี่ละถ้าพวกเรามีแต่ประกอบคุณงามความดีมดก็เป็นที่เชิดชูบูชาเป็นที่ยอมรับของกันทั่วนหน้าที่อยู่ด้วยกันถ้าพวกเราปุก ป, ปับขึ้นมาต่อยเตะตีขโมยค้ อ, อนทุบนู่นทุบนี่ขึ้นมาเลยสิถ้าทำไม่ดีพวกเราคิดว่าคนนั้นจะไปไหน พวกเราก็ต้องจับเข้าไปอย่างน้อยก็ไปขังที่สอพอนายวงไว้ก่อนจากนั้นก็ส่งเข้าไปจังหวัดแล้ขังคงส่งไปคุกใหญ่ไปขังที่คุกตารางเมืองอุดรเพราะอะไรเพราะทํากรรมชั่วนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพวกเราทํากรรมดีแล้วจะไปชั่วได้ยังไงต่อเป็นที่ยอมรับของพวกเราทั้งหลายถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วจะดีได้ยังไงมันชั่วเพราะฉนั้นขอให้พวกลูกหลานขัรติธาญาติโยมทุกคนเนาะ ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบูรณ์กุศลและก็พร้อมกันให้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คุณสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายผู้มอีอุปกระคุณอย่างพวกทายกได้พูดได้พวกเราได้พูดได้กล่าวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่มาเริ่มสร้างก่อสร้างบ้านนาคําน้อยของพวกเราแห่งนี้ถ้าดวงวิญญาณใดตกทุกข์ใดยากก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในการสร้างบุญทำบุญกุศลในวันนี้นะนี่แหละคือการลํำลึกถึงหรือ ว, ว่าการเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล เ, เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ต่อผู้มีอุปการะราคุณส่วนท่านเหล่านั้นจะได้รับหรือไม่ได้รับเราก็เชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าว่าพวกใดผู้ใด ทำกรรมชั่วพอตายจากชาตินี้ไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฉันไปตกนรกคนนั้นจะไม่ได้รับเพราะว่าอาหารของสัตว์ทิรฐิฉันมันก็เป็นอาหารของสัตว์บุญกุศลเข้าไม่ถึงถ้าหาว่าไปเกิดไปตกนรกบุญก็บ ไ, ไปไม่ถึงถ้าไปไปสู่สวรรค์บุญก็ไปไม่ถึงเพราะอะไรเพราะว่าสวรรค์ของเขาขอสวยความสุขของเขาอยู่แล้วนะแต่ถ้าว่าผู้ที่ได้ได้รับ บุญกุศลที่พวกเราอุทิศในวันนี้ในหลักของพุทธศาสนาที่ว่าเป็นพวกเปรตเปรตทวิสัยเปรตอสุลกายคือเปรตเนี่ยเป็นผู้ล่องรอยบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากบาปก็ไม่สามารถที่จะไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์ที่ชันบุญก็ไม่มากที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นที่ผู้ล่องรอยอ ย, อยู่ในในละแวกของพวกเราที่ว่าสัมโเวสีนะ่ยพูดง่ายๆนะแต่ท่านว่าเป็นเปรต อสุรกายเปรตวิสัยที่ล่องลอยอยู่บางท่านบางคนก็ตายไปแล้วไปเกิดไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชานไปตกนรก เ, เสร็จแล้วก็หมดาบาปกรรมที่ไปตกนรกแล้วไปตกไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชานหมดบาปกรรมตอนนั้นแล้วก็มาล่องลอยในหมู่ญาติเออพวกญาติของข้านจะได้ทําบุญอุทิศให้ข้าบ้างเปล่าหรือ no แต่วันนี้อย่างพวกเราได้มาร่วมกันทําบุญอุทิศวันนี้แหะ พวกเราก็ได้ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณที่ไปตกทุกข์แต่ยากมาไปเกิดเป็นสัตว์เทลชานมาไปตกนรกมาอย่างนี้หรือว่าบางคนไปสู่สวรรค์มาพอละวัตรพอออกจากสัน้นสวรรค์ตกอับพพอหมดบุญแล้วก็มาเกิดมาเป็นเปรตสายเปรตอสุรกายเป็น ส, น ส, นสัมภเวสีนะไอ้พวกเราก็ได้ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลนะวันนี้เออพวกฝูงฆ่าทั้งร้ายได้ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนา อย่างที่หลวงพอ่อเออนี่นะจะตกปัจจัยของพวกเรามากน้อยอพวกเราได้ให้สร้างโบสถ์สร้างวิหารเนอะเป็นฐาวนวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นที่กราบไหว้ของอคู่ขนทั้งหลายเป็นที่ศรัทสังฆกรรมของพระสงฆ์เป็นที่ไว้กราบไหว้ของพระพุทธปฏิมาอยู่ในโบสถ์วิหาร เ, เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเรานี่แหละอันนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราได้ทําบุญในวันนี้ก็ขอให้ ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่ไปที่ไหนยังไม่ได้ยังคล่องแวะวนเวียนอยู่ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพวกเราญาติพี่น้องลูกหลานของพวกเราในวันนี้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พวกเราในทําบุญกระพร้อมการหลวงพ่อเองอยากจะเน้นย้ําพวกเราเป็นกเกษตรกรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเกเษตรกรรมคํานี้ก็ไม่ใช่จะปลูกแต่สวนอย่างอย่างเดียวนะ เราควรจะปลูกต้นผลไม้หลากไม้ด้วยที่ไหนที่มันว่างในบ้านของเราในที่ของเราเปลูกพวกขาพวกขิงพวกตะไคร้มะแขงมะเขื อ, อผลไม้หลากไม้มะม่วงขนุนเดี๋ยวนีกำลังเป็นหน้าปลูกฝังนะคะนะักทาย ญ, ญาติโยมลูกหลาน อ, อันนี้ก็คือหลวงพ่อได้ย้ำกล่าวว่าหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาในท้องถิ่นของพวกเรา มีอะไรเกิดขึ้นลงพ่อจะแนะนำบอกกล่าวตักเตือนให้ลูกหลานาให้ได้ปลูกไว้ใกล้บ้านเอาเปนเนบเนบไว้กอสองกอกระไรตะไครแต่เราจะทำแกงเห็ดแกงอะไรขึ้นมาเราก็ไปเอาตะไครม า, าไม่ใช่ว่ า, าปลูกก็ไม่เป็นไปอาศัยคนอื่นเข า, าไปขอของเขาทุกวันนีมันมีราคาทั้งหมดนั่นะเขาก็วหวงของเข า, เอาพอไปขอพี่น้อง เ, เขาก็หาว่าเขาไม่ให้เขาขี่ตีเขาขี้ทีฮะเออคนภาษาอีสานว่าเขาขี้ทีบอกให้เออแต่ไปมองจากเขาว่าเขาขี้ทีแต่ตัวตัวเองขี้เกียดนะ่ะ อ, อขี่เกียดขี่ค้านหลังยาวนะไม่รู้จักปลูกจักฝังนะไม่มองตนเองโดยมากมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะลูกหลานนะเพราะนั่นไ้พวกเราปลูก อ, อพวกเออละกอพวกเราก็กินตําสมละกอเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราปลูกอยู่ในมุมบ้านของเราก็ได้ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยทามันไม่ดีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปฝังปุ๋ยลงไปขี่ ว, วัวขี่ควายลงไปจากนั้นก่อนปลูกขึ้นมามันได้กินปุ๋ยมันก็นงามขึ้นมานี่แหละจากนั้นก็เราก็ได้กินหมากกินผลของมันนี่แหละถ้าว่าคนขยันคร อ, อบครัวของเราก็เป็นผึกแผ่นคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญา ย, ย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าเราพวกเราขี่เกียรขี่คลานไม่รู้จักปลูกไม่รู้จักฝัง แล้วจะเพื่งพาอาศัยใครแล้วลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่นั่งอยู่ในบ้านอยู่ใต้ถุนบ้านพอที่จะไปปลูกต้นตะไคร์ขึ้นมาได้ก่นําลูกหลานมาปลูกให้เขาดูสิเออลูกหลานเออเอาตะไคร์มาให้กูสิจักกรีบสองกรีบก็ได้เดี๋ยวกูจะปลูกตรงนั้นตรงนี้เอ อ, อย่างน้อยก็เป็นการไกลกายกายภาพและกายบริหารออจากนั้นก็ได้ไปดูเออเอาต้นหญ้าออกจากต้นไม้ ดูแลเราอยู่ในบ้านกันล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเพราะเรามีอยู่มีกินแล้วลูกหลานก็ร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันนะแต่าว่าพวกเราเพ่องพากันขี้เกียจปลูกต้นมะละกอต้นเดียวไปขอขอไม่ได้เพ้อเพอกลางคืนไปขโมยของเขาอีกโมงโห่ให้เขาอีกว่าเขาไม่ให้ตัวเองไปตัดต้นละกอทิ้งอีกนี่แหละสรุปแล้วก็คือความขี้เกียจขี้ความขี้คลานน่ยมันโง่หนึ่งมันโง่สองโง่สามโงม่โงไปเรื่อยแล้วที่ เผลอๆกับฟ้องร้องกันแท้นี่จับข้าวโคกข้าตารางเองแท้นี่ยพอไปทำไร่ทาไรท่ทรัพย์ทรัพย์ของเขาอย่างน้อยกิ น, ก น, กนแหนงแข่งแข่งใจกันเสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาของลูกหลานเน่าให้ช่วยกันปลูกแต่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อกันนู่ น, น, นทางราชพัฒเมืองอุดรเข้ามาทั้ง20คนเขาเหมารถมาก็มาปลูกต้นไม้พรอหลวงพ่อเห็นต้นไม้ออกมาทั้งสองหมืกว่า กล้านะไม้สักมาจากอาเภอสังคมหลวงพอ่อโอ้ยมันยังเหลืออยู่ปลูกเท่าไหรก็ไม่จบตอนนี้กันแล้วเราดมปลูกมเมื่อวานก็ยังเหลืออยู่หน่อยนี่ยก็ยังเหลืออยู่หลวงพ่อปลูกให้ทีเลยนะเอ่อเวทและต้นเข้าไปเลยเว่าและต้นก็ได้ถ้าว่าต้นไหนมันกําลังมันน้อยกําลังมันขึ้นไม่ได้มันก็ตายไปเองเอถ้าว่าเราปลูกขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ต้องการเราเอามีดยำํำขีเราก็ได้ไม่เป็นไรยําต้น ตัดทิง้งให้ต้นที่สมู์มันขึ้นมันก็เป็นป่าดงธรรมชาติขึ้นมานี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละพวกลูกหลานไม่ได้ปลูกถึงมากถึงขนาดนั้นอยู่ในหมู่บ้านของพวกเราก็นี่แหละให้ปลูกฝังกินให้ปลูกฝังให้เกิดประโยชน์ในหะลูกหลานนะแล้วก็พร้อมกันสวนยางการู้จักแล้วยางราคามันถูกเดียวนี่กว่าบาทต่อหกิโล เ, เห็นเห็นหลวงพ่อได้ยินแล้วก่อนนี่แหละไม่สบายใจกับลูกหลานเหมือนกันเพราะค่าครองชีพมันสูงเหลือเกินทุกวันนี่อันไหนก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดราคาแพงไปหมดแต่พวกเราก็อยู่ในความประหยัดนะลูกหลานนะคณะาจารย์ญาติโยมอย่าไปใช้สุดลุยสุดไายมันมีน้อยเราก็พยายามใช้น้อยออถ้ามันมีมากเราก็จงค่อยพยายามใช้ขึ้นแต่สมัยก่อนหลวงพ่อก็ยังเตือนลูกหลานโยมคงจะจําได้บางคนนะเออ ยางกิโลทั้งเจ็ดสิบแปดิบาทยางไอย้ยางขี้ยางถ้ายางแผ่นร้อยร้อยกว่าบาทหลวงพ่อก็บอกเออลูกหลานมันน้ำมันขึ้นมันขึ้นนะเวลามันลงมันลงนะเวลานี้มันขึ้นอย่าไปใช้ลูจูแจกอย่าไปใช้มือเติบนะถ้าใช้มือเติบมันจะติดนิดสัยถ้าเมื่อมันมีน้อยเลยทีเดียล่ะมันจะปรับตัวได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมากเราก็ต้องเก็บไว้ในธนาคารไว้ก่อน หรือซื้อที่ดินไว้ก่อนอให้เกิดประโยชน์แล้วถ้าหาว่าเมื่อมันจนเมื่อเมื่อมีความจะเป็นราคาอย่างมันตกต่ําเราก็ได้ใช้เงินก้อนที่เราเก็บเอาไว้นี่แหละอันนี้ถ้าหากว่าพวกเราบริหารจัดการ เ, เป็นไปแล้วหลวงพ่อว่ามันมันเป็นไปได้นะลูกหลานนะแต่ถ้าหาว่าเราใช้สุดุสุหลายไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้ เกินฐานะของตนเองมันกระทุกเหมือนกันนะเพราะเราเคยใช้มือเติบมาก่อนในเมื่อมาตกอับหรือว่าอยากข า, า, างราคาถูกอย่างนี้นะ่ะพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเอ่แล้วก็จนไปทั้งครอบทั้งครัวเลยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งพ่อแม่แม่ทั้งพ่อบ้านก็ดีแม่บ้านก็ดีต้องพยายามสั่งสอนลูกนะตัวเองนะ่ะเป็นตัวอย่างมันขยันขึ้นสักน้อยแล้วก็ปลูกฝังเอของอยู่ของกินไว ในหมู่บ้านให้มีอยู่มีกินไม่จําเป็นอย่าไปซื้อในสิ่งที่มันไม่จําเป็นซื้อแต่สิ่งที่จําเป็นมาใช้ในครอบครัวของพวกเราถ้าหากว่ารู้จักบริหารจัดการหลวงพ่อว่าชีวิตของชีวิตหรือชีวิตครอบครัวของพวกเราก็จะไปในทางที่ราบรื่นได้ถ้าหาว่าพวกเราลูกหลานทุกทั้งหลายวางตัวไม่ถูกใช้สุ้ไร่ชุ้ไร้ไม่รู้จักเก็บนะลูกหลวงพ่อเอง Hey, คิดว่ามันคงจะอันตรายเหมือนกันแล้วก็เพอ้อเพ อ, เ, อเห็นของขายราคาถูกอย่างนี้แหละนูน่นนะคิดขายยาบ้ายามาขึ้นม า, อ, าอันนั้นยิ่งไม่ดีใหญ่นะลูกหลานนะยาทําเด็ดขาดนะลูกหลานนะหลวงพ่อนะเป็นหลวงปู่หลวงตาคนในท้องถิ่นในเมื่อเราขายให้ใครขายให้ใครละ่ะขายให้ลูกให้หลานในะชุมชนของพวกเราถ้าลูกหลานของเราติดยาบ้ายามาขึ้นมาละ่ะไปขโมยของใครละ่ะ ขโมยของพวกเราขโมยพวกสัตว์เพอเพอพวกผู้ขายนะอยู่ในอยู่ในความระแวดระวังอีกต่างหากไม่รู้ว่าเขาจะมาทำร้ายทำรายเราเมื่อไรเพราะว่าเขาติดยาเสพติดเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มันเข้ามาหาตัวเองทั้งนั้นถ้าเราคิดไกลนะถ้าเราคิดใกล้นะ ก, ลก็ได้แต่ได้ส่วนต่างในการขายแต่ละเมนะ็ดแต่ผลที่จะตามมานะั้นมากมายไนดะลูกหลาน จริงเรานี้ทั้งหลายทั้งปวงนี่หลวงพ่อขอเตือนขอย้ำํำพอหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาของลูกของหลานทุกคนนะหลวงพ่อไม่ใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นของอยู่ในหัวใจของลูกของหลานทุกคนนะมีอะไรหลวงพ่อก็จะมองจะจะจะช่วยเหลือชุมชนสังคมของพวกเราอย่างไรหลวงพ่อก็ไม่ได้นิ่งดูได้ในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะแต่ในที่กนั้หนะลวงพ่อกำลังกำลังทำสล า, าพักศพให้กับ พวกเราเพราะว่าเห็นดูสลามันเล็กมันน้อยเออมันจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนหลวงพ่อก็อ่านเออดูอ่านให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดแต่ชุมชนจุดไหนขาดตกบกพร่องหลวงพ่อก็นะดูเพราะนั้นหลวงพ่อจึงกล้าแสดงความคิดเห็นแล้ว่าแนะนำบอกกล่าวลูกหลานทุกคนให้เป็นคนดีสรุปแล้วสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำ ถ้ามันทําไปแล้วมันจะเดือดร้อนตอนเองเดือดร้อนชุมชนเดือดร้อนในหมู่บ้านของพวกเราให้พวกเราให้ช่วยๆกันเป็นหูเป็นตาให้สหํารวมระวังนะื้อลูกหลานนะเนื้อหลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นนะหลวงพว่อดูว่ามันเป็นผลประโยชน์แต่ถ้าผลประโยชน์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องผลประโยชน์เป็นในทางที่พิษทาให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็ไม่น่าจะทําเหมือนกันนะถา้าหาว่าทําไปแล้ว ชุมชนของพวกเราร่มเย็นเป็นสุขนั้นควรจะทำน ะ, ะเพราะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับทุกๆ ท, ท่านที่อยู่ในชุมชนที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะสรุปแล้วก็ให้เป็นคนคนดีคิดดีทำดีพูดดีพวกเราจะอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขทนหน้ากันถ้าพวกเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วน ะ, ะพวกเราจะเดือดร้อนด้วยกันทุกหัวละแห่งกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่า คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหลครอบครัวของเรานั่นแลตัวผู้กระทำนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เ, เมื่อเขาจับขึ้นมาแล้วกันน่ะจับเขา้าคุกเข้าตารางใครเป็นคนเดือดร้อนละ่ะเรานั่นแหละผู้กระทำนั่นแหะจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นขอาฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะ วันนี้นานที ป, ปีหนปีนึงก็มีครั้งเดียวเท่านี้แหละทำบุญบ้านนะหลวงพ่อมาเจอกับลูกกับหลานแนละ้วก็ได้บอกได้กล่าวแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวไปในทางที่ถูกต้องชี้ชี้ชี้นําในทางแสงสว่างให้กับลูกหลานได้ฟังแต่ต่อไปปีต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อก็แก่ไปเรื่อยๆนะลูกหลานนะอาจจะไม่ได้ม า, อาพอหลวงพ่อได้นนิบสอแล้วนะลูกหลานอย่างพวกเราทําบุญเมื่อกี้เนะี่ยเจปีเต็ม 72ก็ย่างเข้ามาหลายเดือนแล้วเนี่ยแล้วต่อไปภายภาคหน้าแก่เท่าชราไปเรื่อยแต่ความเป็นห่วงเรื่อหงหัวความรักลูกหลานะยังมีอยู่จึงได้มาได้มาพบมาเจอวันนี้ก็ได้บอกกล่าวแนะนำให้ลูกหลานเป็นแนวความคิดที่ดีคิดให้คิดดีและการเป็นอยู่ตลอดถึงหลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวว่าให้ปลูก ผลละมากลากไม้เนออยู่กัขอแค่เจล่วทั้งหลายนะ่ะไอ้พวกตะไคร้พวกคาพวกคลิปพวกเขือพวกมะแข้งมะแข้งมะเขือทั้งหลายกับปลูกปลูกขึ้นมา เ, เพื่อให้ได้อยู่ได้กินแล้วก็เป็นไม่ต้องไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อในตลาดนะนี่แหละเสียงทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อได้พูดให้ฟังลูกหลานนําไปจิดนําไปพิจารณานํ า, นานไปปฏิบัติหลวงพอว่จอจะเกิดประโยชน์สําหรับลูกหลานทุกคน ต่อในไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรบันเนอลูกหลานเนอบุธิส่วนกุศลต่อผูมิอุปการะหุ้นสัมพวกเข้าย่างที่พวกเขาได้พูดได้กล่าวนะ